ใอาจารย์ท่านอยู่ท่านเกี่ยวข้องกับพวกเราก็ทั้งกับดูทั้งกับบอกทั้งกับเตือนสติเราไม่มีอะไรดอกก็เหมือนอย่างลงตาเนี่ยท่านให้ขอคิดแต่สมัยเราอยู่ก็เหมือนกันแหละไปถ่ายรูปถ่ายไะไรไม่เป็นกิจลักษณะเนี่ยโดนขอแล้วถ้ายังถ้าไม่ให้แล้วไปฝืนโอ้ย โ, โดนหนักอีกตั้งหากแล้วก็สมัยนั้นก็มันยังไม่มีมือถือมันงิงี้ยงีง้ยเอย่างเหมือนอย่างทุกวันเนี้ย ไม่มียังไม่มีมือถือที่ที่ที่โดนบ่อยก็คือถ่ายรูปนี่แหละบางคนมาก็เร้งเลงก็ปุ๊บเลยโอ้โหนี่ก็โดนบางคนก็บอกแล้วยังพุบอีกอ่ะเอาตอนเผลอนี่โอ้นี่ยดโดนหนักเลยลูก <c oughs> ต, ตาท่านท่านท่านพูดเป็นการกระตุกเป็นการเตือนสติเราเป็นการเตือนสติเรา ว่าพวกเราทําไม่ได้ระมัดระวังเข้าใจขนาดไหนเคารพเลื่อมใสศรัทธาขนาดไหนท่านกลัวพอออกไปแล้วออกไปแล้วก็ไปทําขาดความเคารพการขาดความเคารพมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมให้กับตัวเองท่านจึงระวังมากคุณทวาราเพิ่อนก็พูดดีเหมือนกันนะเพื่นว้ยรูงตา เพืน่นเพื่นไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอันนี้อะไรพระลูกลวงตาเพราะมีลูกหลวงตาแล้วจะต้องไว้ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาที่อะไระไม่ใช่เอาไปทิ้งไปขว้างเหมือนอย่างพวกเรานะี่ยพอเพืน่นเพื่นเห็นรูปเห็นอะไรตัว อ, อะไรเนี่ยเพื่นพูดถึงเลยเว้ยลูกลวงตาบางทีบางทีเขาเพื่อนก็พอได้มาแล้วมันต้องเก็บต้องรักษาต้องอะไรอย่างดีดีความหมายเพื่อนเปลี่ยนไไยังไงไปถ่ายไปเห็นเกลื่อนไปเห็นอะไรตัวอะไเพื่นเพื่นเพื่นทวงขึ้นมานี่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน ไม่ถ่ายจันนุ๊ปปุจันเรียนห้ามเลยใช่ไหมเขียนป้ายติดห้ามเลยห้ามถ่ายเลยคือกลัวพวกเรารักษาไม่เป็นแล้วก็มันเป็นเป็นเวรเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นบาปเป็นกรรมในที่สุดเมื่อเราถูกเบรกมันก็ถูกชะลอทําให้เรารู้จักยังรู้จักคิดทําไมท่านจึงห้ามทำไมท่านจึงบอกเนี่ยมันก็เป็นเครื่องกระตุกเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน หลังจากนั้นแล้วท้ากก็ชี้มาที่ความสําคัญท่านชี้มาที่ความสําคัญที่ใจควรจะมาทําความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใจเรื่องจิตใจมากกว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุแต่วัตถุก็มีความสําคัญเหมือนอย่างพระพุทธรูปเงี้ยเป็นวัตถุจะมีความสําคัญแต่เวลาเรากราบไม่ใช่เรากราบไม่ใช่เรากราบทองกราบเหล็กกราบทองเหลือง กราบบูนกราบหินนี่นี่พระองค์ดํานี้พระหินนี่ไม่ใช่เรากราบสิ่งเหล่านั้นเรากราบแล้วก็เป็นการระลึกถึงบุญถึงคุณกราบป๊อปจิตใจเนี่ก็ต้องระลึกถึงบุญถึงคุณทันทีเร า, ากราบเพราะการกราบมันเป็นการพร้อมหมดสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็สํารวมจิตมันถึงพร้อมหมดนะสํารวมใจ สัมรวมวาจาคําพูดอาจจะนึกคิดอยู่ข้างในคือการน้อมนึกระลึกถึงบุญถึงคุณเนี่ยมันเป็นมันเป็นระยะเวลาที่พร้อมหมดในการที่จะมาระลึกถึงบุญถึงคุณแล้วก็เป็นการสักการะหลวง ป, ปู่เขียนท่านบอกว่ามันเป็นกิริยาที่งามกิริยานอบน้อมกิริยากราบกิริยาไหว้ท่านว่าเป็นกิริยาที่งามเราจําติดปากมาจนเดือนนี้ ำจำจับิตใจมาจนเดี๋ยวนี้กิริยาการกราบการไหว้เป็นกิริยาที่งามเราจําติตมาปากมาจนเดี๋ยวนี้เลยกิริยาการกราบการไหว้เป็นกิริยาที่งามตัวเองก็สําบรมสัมรวมจิตด้วยสํารวมวาจาคําพูดด้วยคนอื่นเห็นก็เป็นเหตุให้กระตุกกระตุ้นเตือนให้ได้สํารวมระมัดระวังการกราบการไหว้เป็นการแสดงความคารวะ อ่อนน้อมทอมตนการกราบการไหว้โดยเฉพาะอย่างพวกเรามีการไหว้กันมีการกราบกันถือว่ามีการคารบคุณวุฒิวัยวุฒิหรือถ้าเป็นพระเนกนกอาวุโสบันเตสิ่งนี้ท่านถือว่าเป็นวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมมันเป็นเหตุให้ธรรมะเจริญในหัวใจแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วนะ ธรรมะจะไม่เจริญล่ะเอาลองเจอกิริยาแข็งกระด้างดูกิริยากายแข็งกระด้างจะนบจะกราบจะไหว้ก็ไม่มีบางทีการพูดการจาแข็งกระด้างโดยคําพูดแข็งกระด้างโดยกิริยาแห่งการพูดเนี่ยมันแข็งกระด้างทย้อนไปที่ใจมันก็มาจากใจที่แข็งกระด้างเป็นใจที่แข็งกระด้างแข็งกระด้างแข็งกร้าอ ดีไม่ดีคําพูดคําจาและกิริยาทางกายทางวาจามันเป็นลักษณะยิ่งพยองก้าวร้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสื่อถึงหัวใจเท่านั้นแหละมันเป็นสื่อเข้าไปในหัวใจของคนพบคนเห็นการกราบการไหว้ครูบาอาจารย์ท่านจึงถือเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเป็นการนอบนอบ้อมอืม อย่างพวกเรากระนอบน้อมพุทติเจ้าพระธรรมประสงค์นี่แหละกากราบไปที่กราบสามครั้งพระติเจ้าอ่าระลึกถึงคุณพระติเจา้าไม่ได้คิดถึงอะไรมากคิดถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์รบริสุทธิ์ที่คุณกราบวาระแรกกราบวรระที่สองคิดถึงพระธรรมพระธรรมคุณพระธรรมเป็นเหตุทาให้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์หมดจดจากเกลเล็เพราะพระธรรมนี่ครั้งที่สก็เป็นกราบถึงพระสงฆ์คําาสงฆ์แปลว่าหมู่สังฆะแปลว่าหมู่แปลว่าหมู่ต้องเรียกว่าสงฆ์โดยเฉพาะสงฆ์ที่ทําสังฆกรรมได้ของพระเราก็ตั้งแต่4รูปเป็นต้นไปท่างเรียกว่าหมู่แต่พวกเราเราเรียกกันง่ายๆเราอยู่ข้างนอกสองคนสามคนเราก็เรียกว่าหมู่เราเรียกทำตามธรรมดา แต่ภาษาวินัยต้อง4รูปขึ้นไปถ่าเรียกว่ามูถ้าเป็นถ้าเป็นสาคนหรือสรูปนี่ท้าเรียกว่าคณะคณะคือยังไม่ครบสองไม่ครบ4สี่สงต้องเป็น4สังฆะแปลว่ามูเรากราบระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์ระลึกให้ถึงในหัวใจจริงๆนะมันทําให้ใจของเราเนี่ยออนจิโรราบนอบ น, อน้อม น, นะมันงามพร้อมกายพร้อมวาจาแล้วก็พร้อมใจ แท้จริงถ้าเราจะตะล่อมมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ตะล่อมลงในคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์แต่ด้วยเหตุที่มันถึงจิตถึงใจเราก็กราบเข้าไปอย่างที่เรากราบเนี่ยก็มีหมู่บา ง, บางคนบางองค์ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเราต้องกราบมากหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเราก็กราบตามน้องตาแล้วน้องตาท่านผ า, ากราบอยู่บ้านตากนะครูบาอาจารย์ที่ตั้งอยู่ข้างห้ข้างหลังพระประธานอยู่บ้านตานะ กราบเสร็จแล้วบางบางครั้งบางบางวันท่านก็อธิบายฟังนี่นะเรากราบครั้งแรกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่4ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจอ่าท่านบอกว่าองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเพราะบนนั้นมีหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นอ่าหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนแล้วก็ธรรมเจดีพธรรมเจดีก็คืออุปชายะของของลวงตา เจ้าคุณธรรเจดีแล้วก็สมเด็จกรมมรหลวงชินวงอ่ากรมมรหลวงชินวงท่านว่าสมเด็จสังฆราชองค์นี้ท่านมีธรรมท่านมีคุณธรรมท่านกราบท่านระลึกบุญระลึกคุณบางครั้งท่านอธิบายให้ฟังอ่าท่านท่านไม่ได้ม่ได้กราบองค์ละสมครั้งนะท่านกราบองค์ละครั้งพระเจ้าพระธรรมประสงค์ท่านทั้งกราบสามครั้งทีนี้ก็ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นท่านก็กราบหนึ่งครั้งหลวงปู่สาวหนึ่งครั้งหลวงปู่มั่นหนึ่งครั้งอ่า ลุงปู่ฟันหนึ่งครั้งลุงปูขาวหนึ่งครั้งแล้วก็มีลุงปู่กอกมาด้วยอยู่ที่บรรดาลนะแล้วก็มีมีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระชินรวงสมเด็จสังฆ ร, ราชสมเด็จพระพุทธระจินรวงอะไรเนะี่ยลืมละท่านกราบกราบแล้วก็ระลึกบุญระลึกคุณทั้งว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ท่านมีธรรมตาพระกราบกราบอย่างถึงจิตถึงใจถึงอกถึงใจจริงๆนอบน้อมถึงจิตถึงใจจริงๆแต่ใจของพวกเรากใจของท่านคงไม่เหมือนกันแหละของท่านน้อมกว่าน้อมจริงๆเป็นหนึ่งเดียวจริงจริงอ่อนจริงๆน้อมจริงๆกราบระลึกบุญระลึกคุณบางทีนอกจากจะบ่งระบุเห็นเป็นรูปของท่านแล้วก็ ระบุภาวนาไปถึงคุณสมบัติอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยลึกถึงคุณสมบัติของท่านอีกเราอยู่นี้เราก็เอาตามลงตาแหละเราก็กราบน่ะอยู่บนนี้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแต่เราก็ตั้งไว้ในฐานที่ว่าเขารบกราบพระเจ้าทำประสงค์กราบครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็หลวงปู่เสาครั้งที่ห้าก็หลวงปู่มั่นครั้งที่หกก็หลวงตา แล้วก็บางคราวเนี่ยเราจะเดินทางเราก็กราบระ ล, ลึกบุระลึกคุณถึงท่านเป็นพิเศษอีกเหมือนกันเวลาจะเดินทางอ่าคล้ายๆก็ว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยให้มันละลายหายไปหมดเลยว่าเป็นคุณสมบัตินอกนอ้นอ บ, บูชาองค์คนนั้นคนนั่นคนนั้นคนนั่นองค์ตัวตนเราไม่มีเราจะสลายบูชาท่านหมดเรากราบแล้ ว, ลวเราก็ระลึกมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอด เป็นหเป็นครั้งที่หกลุงปู่เสาวลุงปู่มั่นแล้วก็หลวงตาแล้วก็ครั้งที่หกแล้วนะนี่ครั้งที่เจ็ดก็มีนะลุงปู่ลีลุงปู่ล่าลุงปู่ชาลุงปู่เขียนแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชครั้งที่เจ็ดนี่เยอะหน่อยห้าองค์ลุงปู่ลีลุงปู่ล่าเท่าที่เท่าที่ระลึกได้ระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านลุงปู่ลีลุงปู่ล่าลุงปู่ชาลุงปู่ขาว ไอ้หลวงปูหลวปูชาหลวงปู่เขียนสมเด็จสังฆราชสมเด็จพระสังฆาราชเราไปฟังเทศธรรมะเทศเก่าๆของท่านที่ท่านเทศเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นธรรมเป็นธรรมะที่พิพอดีเป็นคําพูดกระทัดรัดเป็นคําพูดที่ไม่ฟุ่มเฟือยอยสมเด็จสังฆราชทุกวันเวิทยุร้อยสามจุดสองห้าเนี่ยบางครั้งวันสําคัญถ้าใครฟังเขาก็จะเอาเทศหลงสมเด็จสังฆราชไปเปิดนะ เทศมหาสติเงี้ยเทศมหาสติก็กเขเอาไปเปิดให้เปิดให้ฟังเราก็ระลึกถึงบุญถึงคุณตามนี้แหละจากนั้นแล้วก็ร ะ, ะลึกถึงคนที่มีคุณก็ว่าคนที่มีบุญมีคุณมันไม่ใช่จะมีเฉพาะเฉพาะพระยอมก็มีคนนั้นมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างน้อยๆคุณถามเวลาคนหนึ่งที่มีบุญมีคุณ ที่เราได้มาเกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่ตรงนี้ทําให้ตรงนี้เกิดบุญยะสถานอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ลืมที่จะระลึกถึงบุญถึงคุณของเขาเขาซาสียสละดูแลแล้วก็ตามมาดูแลต่อเนื่องมาจนทุกวันเนี้ยอืมที่แรกเราคิดว่าเพิ่นซื้อที่ถวายลุงตาสร้างวัดเสร็จแล้วคิดเราคิดว่าจะแล้วอ้าวเพิ่นกลับตามมาดูแลมาสร้างมาโน่นมานี่อย่างสลายนงงี่เป็นต้นพอปีรุ่งขึ้นเนี่ยสลานี่ก็ขึ้นแล้ว ก่อนสลาขึ้นกับไม้กับปูไปขนมาจากนูน่นอยุธยานะพะเนินเทินทึกเต็มไปหมดแป้นเกลด็ดไปขนมากองมากองมากองพะเนินเทินทึกเต็มไปหมดเนี่กุฏิหลังนูน้นกุฏิหลังนูน้นหลังนูน้นหลังนูน้นในคงในครัวในอะไรเนี่ยก็เป็นเป็นคนดูแลจากนั้นแล้วก็สิ่งที่เป็นพิเศษก็คืออาหารอาหารค่าพัฒนาการประจำทุกเดือนทำมาตลอดอืม เดือนละเกือบเดือนนี้สะสมเดือน3เดือนเพื่นจะเพื่นจะส่งเช็คมาครั้งหนึ่งสเดือน9ก้าหมื่มเดือน9ก้าหมื่มเดือนทุกสมเดือนเพื่อนส่งมาปีละสครั้ง3เดือนครั้งสมเดือนครั้งครั้งละ9ก้าหมืแล้วก็เบ็ดเตล็ดปลีกย่อยสารพัดที่เขาไม่ช่วยเหลือเรา ออ่นี่คนเทถาวาเราพูดถึงคนถาวรแล้วมีคนอื่นมีรายเบตเตอร์เลตลายปริกรายย่อยที่ก็ส่งมาช่วยเหลือเราเออมีบุญมีคุณคนนั้นคนนั้นกนนั้นระลึกระลึกหมดอ่าบางทีเราก็ระลึกแยกยกคุณคาความดีให้คนนั้นคนนั้ น, น, น, นยกให้หมดกราบนอบน้อมระลึกนี่เราลองมาพิจารณาดูแบบนี้มันมันเป็นภาคปฏิบัติไปในตัวนะ รูปูชาท่านถึงว่าการกราบการไหว้มันเป็นภาคปฏิบัติอย่าไปขี้เกียจกราบขี้เกียจไหว้กราบไหว้ไปมากเท่าไหร่มันก็เป็นการทําให้กายเรางามสังรวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจมันทําให้เราได้รับประโยชน์ข้างในนะั่นนะเพราะคนเราถ้าแข็งกระด้างอย่างเดียวนอกจากแข็งกระด้างไอ้ความแข็งกระด้างกับการลบหลู่ดูถูกบุญคุณนี่ยกตนเทียมท่านเนี่ยมันมักจะมาพร้อมๆกันนะอ่า แข็งกระด้างแข็งกร้าวแล้วก็ถ้ากิริยาที่คําพูดออกมาเป็นเป็นคําพูดเอ่ยเป็นอะไรมันมักจยากก้าวร้าว์มันไม่มีจิตใจที่จะทําให้คนฟังเนี่ยมีจิตใจอ่อนอจจน้อมมีจิตใจสงบเยือกเย็นเอาไปใช้กับอะไรทั้งกิริยากายทั้งกิริยาวาจาคําพูดดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําร้อนเอาไปสาดใส่เขาเป็นคําอุ ป, ปมาอ่าเรามักอยาก พูดให้กับโมเ่เยู่เลยไปศาสตร์อย่าไปศาสตร์น้าร้อนใส่เขานะอย่าไปศาสตร์น้ําร้อนใส่เขานะศาสตร์น้ําเย็นใส่ศาสตร์น้ําเย็นใส่ศาสตร์น้ําเย็นก็คือคําพูดคําจากริยาที่เยือกเย็นพราศาสตร์เข้าไปแล้วอืมันก็เย็นอ่ะใครก็ชอบเย็นเท่านั้นอ่ะแม้แต่คนที่ร้อนๆเขาก็ยังชอบเย็นแม้คนที่คิดว่าศาสตร์น้าร้อนใส่เขาคนนั้นก็ยังชอบเย็นแต่ด้วยเหตุที่มันมีสิ่งร้อนเกินพอดีอยู่ในหัวใจมันก็แสดงออกไป ไม่มีขอบไม่มีขอบไม่มีเขตจํากัดจริงแล้วนี่มีมีน้อมมาเพื่อภาคปฏิบัติเกิดประโยชน์เกิดผลอย่าลืมว่าทางธรรมะเนี่ยต้องน้อมมาที่ใจของเราทําไมกิริยากายของเราจะอ่อนน้อมกิริยาวาจาของเราจะอ่อนน้อมกิริยาจิตของเราจะอ่อนน้อมถ้าหากกิริยากายแข็งกระด้างกิริยาวาจาแข็งกระด้างมาจากกิริยาจิตที่แข็งกระด้าง จิตใจของท่านจะสงบเยื่องเย็นได้ยากเจริญสมาธินี่ก็สงบยากมากๆแหละเพราะจิตใจมันแข็งกระด้างช่วงช่วงใดเวลาใดขณะใ ด, ด, ใดที่จิตใจท่านอ่อนน้อมหลองทาง่นานกำลังภาวนาปัปนี่มันจะสงบเร็วเรียกว่าปกตินี่คือจิตใจที่อ่อนน้อมเพราะเวลาเราทําไปสักพักหนึ่งที่ท่านท่านบอกว่ากายมุทุตาคือกายเบาจิตมุทุตา จิตเบาจิตกายมุทุตากายอ่อนน้อมจิตมุทุตาจิตอ่อนน้อมจิตละหูตากายละหุตาจิตเบากายเบาจิตจิตเบากายเบาจิตอ่อนคาว่าอ่อนในทนี้หมายความว่าจิตมันไม่แข็งกระด้าง เพราะจิตมันไม่แข็งกระด้างสติสัมผัสัญญารวมอยู่ในนั้นเราต้องการกําหนดให้ได้รับความสงบมันก็พร้อมที่จะได้รับความสงบอย่างเยือกเย็นอันนี้เราสามารถพิสูจน์ที่พื้นเพยจริรนิสัยของจิตของเราได้เลยเนี่ยถ้ามีความแข็งกระด้างเนี่ยจะทําให้เขาสงบระงับได้ยากจิตของเราที่มันเดือดดานเนื่องจากเรากระทบอารมณ์กับสิ่งนู้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ อ่าก่อนระยะเวลาที่เรามานั่งภาวนาซึ่งจิตมันกําลังยึดในอารมณ์นั้นๆอยู่มันทําให้จิตมันแข็งกระด้างจิตแข็งกระด้างลองมานั่งภาวนาดูสงบไหมไม่มีทางอ่ะมันนึกคิดวุ่นอยู่แต่กับเรื่องนั้นแหละเพราะอะไรปกติของใจมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมขึ้นขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นปากขึ้นคําเลยมันไม่ยอมอ่ะใจมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมบางคนมีเรื่องมีเรา ใหญ่โตมากๆเข้าไอ้คาว่าไอ้คาว่าความโกรธความขัดปฏิฆะคือความขัดไอ้ความขัดใจมันนํามาซึ่งความโกรธความโกรธก็มันม า, มาครุ่นมาคิดม า, ดมานึกๆึกไปพิจารณาไปอะไรไปก็อุย้ยเครียดเครียดเครียดแค้นชิงชังเพิ่มขึ้นมากขึ้นหนักๆเข้าก็หาเรื่องกินจะแก้แค้นแหละท่นี่นั่นแหละพยาบาทมันก็ตามมา ถึงขั้นพยาบาทก็หมายความว่าปองร้ายคำ ว, ว่าปองร้ายในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะจ้องคอยฆ่าคอยแกงเขาอย่างเดียวไม่ใช่จ้องคอยหาจังหวะหาโอกาสที่จะสอกกลับว่างั้นเถอะอ่าพอแสดงกิริยาทางกายกลับก็แสดงเพราะแสดงกิริยาทางวาจากลับพูดกระทุ้งกระแทกเพื่อเป็นการตอบสนองกับความเครียดแค้นที่มันมีอยู่ในใจก็แสดงกิริยาอ่า กระทุ้มก็แทกออกมาทางกิริยาวาจาแต่ใจแล้วมันแข็งกระด้างอยู่แล้วถ้าจิตมีภาวะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เขาภาวนาเขาอยู่ยากมากใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมเราจะทำไงท่านก็บอกให้เราแผ่เมตตาการแผ่เมตตามันทำให้ใจอ่อนน้อมได้เร็วแผ่เมตตาอย่างไรใจถึงจะอ่อนน้อมได้เร็วท่านให้เอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราต้องการความสุขต้องการความเจริญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อางนี้อ่าเราก็แผ่ถึงเขาขอให้เขาได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เราต้องการขอให้เขาเขาได้รับความเจริญเหมือนอย่างที่เราต้องการแต่ก็ต้องพิจารณาแล้วก็แผ่ด้วยใจไม่ใช่ว่าปากมุกมิบมุมิมบมคิดคิดนึกเอาเฉยๆฉยให้มันแผ่ด้วยใจเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ ขณะนี้เขาได้รับความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเผื่อเราประสบความทุกข์เหมือนอย่างเขาบ้างเราจะมีความสุขเ ร, เราจะมีความทุกข์ขนาดไหนเรื่องความทุกข์ความสุขนี่ทุกคนประสบพบเห็นมาด้วยกันบางคนบางคนบางทีเข็ดลาบถึงผลของความทุกข์ที่มันมากลุ่ม ร, มรุมในหัวใจของเราเนี่ยเข็ดลาบโอ้เขาประสบความทุกข์ความลําบากด้วยธุรกิจเอยด้วยการงานเอย ดยโรยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเออยนี่โอ้เอาใจเขามาใส่ใจเราเขาจะทุกข์ขนาดไหนลําบากขนาดไหนยากนั้นก็แผ่เมตตาอ่าเอาใจเราไปใส่ใจขนสักหน่อยหนึ่งใจของเราก็จะเริ่มอ่อนมันเกิดเมตตามันเกิดสงสารเกิดเมตตาเกิดสงสารเขาแต่ถ้าไม่คิดลั ก, ลกษณะอย่างเงี้ยคิดมันอ่อนได้ยากมากมันจะแข็งกระด้างอย่า ง, างนั้น อ, อ่ะแพ่ก็ไปเถอะอ่าการแพ่ที่จะได้ผลนั้นน่ะ ตัวเองต้องได้ผลก่อนตัวเองต้องได้ผลก่อนทําไงเราเราเผเมตตาถึงจะได้ผลเท่าที่เจ้าของประสบการณ์เองแล้วก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราพิจารณาใจความสุขความทุกข์ของเขาม า, มาเทียบม า, มาใส่ใจเราความสุขความทุกข์ของเราอ๋อถ้าเราได้เราประสบความทุกข์ยากลาบาก อะไรเหมือนเขาเจ็บใคได้ป่วยเอยประสบอุบัติเหตุเอออะไรต่ออะไรโอ้ยทุกข์ยากลาบากปัญหาสารพัดเป็นภาระอย่างนั้นเป็นภาระอย่างนี้ตามมานี่จิตใจมันก็จะเริ่มอ่อนน้อมมีการแผ่เมตตาเมตตาหวังให้เขาเป็นสุขเหมือนกับเราเราเป็นทุกข์ยังไงถ้าเขาเป็นทุกข์ก็เหมือนกับเราเราเป็นสุขยังไงถ้าเขาเป็นสุขก็เหมือนกับเราเราเขาเป็นสุขยังไงถ้าเราเป็นสุขก็เหมือนกับเขา เขาเป็นทุกข์ยังไงถ้าเราเป็นเหมือนเขาเราก็เป็นทุกข์เหมือนกับเขาพิจารณาใจเรามาใส่ใจเขาพิจารณาแบบนี้มันถึงจิตถึงใจจิตก็พร้อมที่จะอ่อนน้อมได้เร็วอันนี้เป็นธรรมะพากพื้นใครเจริญได้เป็นนิตทาได้เป็นนิดคนนั้นเหมือนบริโภคเหมือนกินยาอายุวัฒนะเป็นการเจริญเจริญอายุวัฒนะทาให้อ่าจิตใจปลอดโปร่งสะดวกสบายตลอดถ้าเผื่อเป็น อายุวัฒนะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเจริญอ่ามีความสุขมีความสะดวกสบายมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นอายุวัฒนะทําให้ทําให้ร่างกายของเราเจริญทําให้จิตใจของเรามีอายุทําให้จิตใจของเราเป็นธรรมวัฒนะเจริญด้วยธรรมท่านจึงท่านจึงว่า ถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นภาคพื้นใครเจริญได้ผลเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกระทบกระแทกกับคนที่มีกิริยาแข็งกระด้างทำไงอะ่ะเราจะดัดแปลงยังไงในหัวใจของเราเวลามันเจอมันประสบพบเห็นอย่างนั้นท่านใ่้แผ่เมตตาเพราะแผ่เมตตาเนี่ยมันไปช่วยระงับความโกรธช่วยระงับความอาฆาตพยาบาทความเครียดความแค้น ท่านให้แผ่เมตตาก็ไปเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราจากนั้นแล้วท่านก็พูดถึงกรุณาอีกในหลักของพรห ม, มวิหารเมตตากรุณามุติตาอเบคาท่านแปลว่าทาเป็นเครื่องอยู่ของพรหมพรห ม, มวิหารวิหารแปลว่าเครื่องอยู่พรห ม, มวิหารคือทาเป็นเครื่องอยู่ของพรหมแต่เวลาท่านแปลอีกทีหนึ่งมันเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ท่ า, างนงั้นนะ แท้ที่จริงผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยถ้ามันไม่มีเมตตาเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันหมดหละไม่ไว่าจะไม่ไว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นผู้น้อยถ้าหากไม่มีเมตตานี่มันก็หาความสุขให้กับหัวใจเราไม่ได้อเขาแปลโดยนยะโดยอัฏฐะโดยอัฏฐะเขาบอกว่าโภมาภิหารทําเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ท่านไม่หลับ เราจะเห็นว่าพระพรหมมีสีหน้าข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีซ้ายก็มีขวาก็มีพระพรหมมีสีหน้าแสดงว่าผู้ใหญ่ต้องดูรอบครอบซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลั ง, งท่านทียบเป็นธรรมะของเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมพระพรหมต้องดูแลต้องสอดส่องอย่างนี้นอกจากนั้นนอกจากมีเมตตาแล้วยัมีกรุณาการุณานี่คือหวังให้คนอื่นพ้นทุกข์เมตตาก็คือหวังให้คนอื่นมีความสุข ถ้าเขามีความสุขอยู่แล้วหรือเขามีความทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเราต้องเจริญกรุณาหวังให้เขาพ้นทุกข์เมตตากรุณาเมื่อความสุขเขาก็มีเต็มเปี่ยมแล้วตามที่เรามีความต้องการให้เขามีความสุขมีความเจริญเต็มที่แล้วเขาประสบโชคดีอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่เนืองๆหรือประสบโชคดีประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ท่านาให้เจริญมุทิตามุติตาคือพลอยยินดีในเมื่อเขาได้ดีพลอยยินดีในเมื่อเขาได้ดีอันนี้ก็มันก็เป็นการไปหักล้างกับความอิจฉาริษยาพยาบาทในหัวใจของเราเพราะคนเราเนี่ยด้วยด้วยความด้วยความโลภด้วยความอยากได้ด้วยความต้องการเนี่ยเวลา เราไม่ได้แต่เขาได้เนี่ยมันอิจฉาเขาเอ้เราน่าจะได้ทําไมไม่ได้คนนั้นไม่น่าได้นะทําไมได้เนี่ยมันอิจช้ากันนี้เมื่ออิจฉาเมื่อเกิดมันก็เกิดเดือดดานขึ้นในหัวใจเนี่ยหนักๆข้าวมันก็โอนเอ็นโน้มเอียงได้อะไรได้สามารถตัดรอนกันได้อะไรกันได้นี่กรุณากรุณาเอ่ามุติตามุติตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีถ้าเราไม่พลอยยินดี ไม่ปักใจลงไปเพื่อความยินดีกับที่เขาประสบความสุขความเจริญประสบความสาเร็จในชีวิตจิตใจมันก็จะอิดชา้าจะริษยาจะพยาบาทจะปองร้ายจะหักจะล้างจ ะ, จะแข็งจะแข่งจะถือเป็นคู่แข่งกรุณาุติตาจากนั้นแล้วอุเบกขานอกจากมุติตาแล้วก็มีอุเบกขาเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา อุเบกขาแปลว่าความวางเฉยแต่ความวางเฉยไม่ใช่วางเฉยเหมือนต้นเสาในสบื้อซื่ออยู่ไม่มีอะไรไม่ใช่อ่าอุเบกขาของพรหมวิหารนั้นถ้านให้ปรองถึงกรรมของสัตว์โอ้กรรมของเราโอ้กรรมของเขาเราไปดูในบทแผ่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาการแผ่อุเบกขากรรมสกมิหิกรรมดาญาโดกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสารณาสาโน สัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นให้ผลมีกรรมเป็นที่พึ่งพิอาศัยทํากรรมใดเอาไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นปรองถึงเรื่องของกรรมตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถือว่าเป็นหมัดเด็ดเป็นหมัดหนักสามารถเอากิเลสให้อยู่มัดเลยทีเดียวเลยนะพิจารณาให้ดีอุเบกอุเบกขา พิจารณาถึงกรรมกรรมของสัตว์โอ้กรรมของเขาเอาเราต้องการให้เขาพ้นทุกอยู่แล้วแต่เขาก็ยังพ้นไม่ได้โอ้กรรมของสัตว์เราคิดว่าเราจะไม่ประสบอุปสรรคขัดข้องประสบความทุกข์ยากลําลบากขนาดนี้มาพิจารณาโอ้กรรมของเราพอลงถึงกรรมปับ๊บจิตมันก็พยายามจะหวัวระลึกถึงข้อเท็จจริงที่เราประสบพบเห็นที่เราผ่านมาที่เรียกว่าเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องใหม่ เหตุปัจจัยที่ช่วยเสริมให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้อแม้แต่เราไม่ประสบความทุกข์ยากลําลบากเราประสบความสุขความเจริญเราก็สามารถปลงพิจารณาถึงกรรมอ๋อกรรมเราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพื่อให้ให้ได้ประสบความสุขความเจริญได้ดีได้ดีเราก็ประสบผลสําเร็จตามที่เรามุ่งหวังอยู่แล้วโอ้กรรมของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอ พิจารณาได้ทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีเรื่องอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยธรรมะทั้งสีนี้ถ้าหากเราเจริญได้เป็นนิสมันสามารถเอาไปใส่ได้ทุกทุกอย่างทุกเรื่องทุกความเกี่ยวข้องกับคนกับคนเสมอกับเราคนสูงกว่าเราและคนต่ํากว่าเราคนถอยคนเถื่อนคนอะไรขนาดไหนนักรลงหัวไม้อันตรภานขนาดไหนเราสามารถใช้ธรรมะเหล่านี้ไปหักล้างได้ คำวาำว่าหักล้างในทีนี้หมายความว่าหักล้างกิเลสในหัวใจของเราเองนีเพราะพรหมวิหารนี้มันเป็นบทกรรมฐานบทหนึ่งนะไปดูเมตตานี่ยเป็นบทกรรมฐานบทหนึ่งนะทําให้ใจเราอ่อนน้อมใจะให้เราได้รับความสงบถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยกล่อมกลาดช่วยชะช่วยล้างช่วยขัดช่วยกลา จ, จ, จ่ิตจิตใจจิริตณิสัยของเราจิตใจของเราก็มีแต่จะแข็งมีแต่จะกระด้าง เต้องการให้สงบเขาวาวเพานะได้รับความสงบอย่างนั้นได้รับความสงบอย่างนี้ได้รับความเยือกเย็นอย่างนี้นเห็นผลเห็นอานิสงส์แต่ตรงกรันข้ามเราเนี่ยมีแต่ฟื้นก็ฟื้นฟื้นก็ฟื้นยิ่งนั่งไปเท่าไหร่ยิ่งเดือดยิ่งดานยิ่งไหลเนื่องจากเราไม่สามารถจะปรับสภาพจิตของเราให้เป็นไปตามนี้ได้ทุกวิธีทางเราทําไงเราจะประสบผลสําเร็จสิ่งเหล่านี้เราต้องหาสิ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอะไรต่ออะไร มาช่วยเสริมให้เราไ ด, ได้ได้ประสบผลสําเร็จเหมือนเราสแสวงหาอาชีพที่ดีที่งามเราต้องการสิ่งนี้ทําไงเราจะเข้ามาประสบผลสำเร็จกับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นไหมต้องเกี่ยวข้องกับคนนี้ไหมต้องใช้อุบายอย่างไงต้องใช้อุบายอย่างนั้นต้องใช้อุบายอย่างนี้กดูที เ, เราไม่ต้องพูดยากเราพูดถึงอย่างสมมติอย่างสมัครอา่าสมัครอะไรสมัครสสอสมัครอปปตสมัครอะไรก็แล้วแต่ทํายังไงจะได้เอา่า ทำไงจะได้พูดยังไงเขาจะเห็นอกเห็นใจแหมอุบายวิธีอือันนี้ก็เช่นเดียวกันธรรมะที่จะมาช่วยหักล้างกิเลสในหัวใจของเราท่านก็ให้แสวงหาสิ่งเหล่านี้อืการนึกการคิดการใคร่ครวญไตรตรองเพื่อที่จะให้ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรามันต้องอยู่ในดุลพินิจของเราทุกระยะทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่ปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัว ว, วันหนึ่งแล้วแต่จะพานึกคิดไปทั่วที่ทั่วแดนไม่มีขอบเขตจํากัดในเป้าหมายที่เราตั้งก็ตั้งไว้เฉยๆเราไม่ได้คิดที่จะเดินไปให้ประสบผลสําเร็จตามนั้นมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จจริงเรล่อนี้เราเกี่ยวข้องด้วยกันทุกคนแหละอสิ่งที่เราพึงประสบผลสําเร็จก็คือเราจะต้องสามารถข้ามปัญหาสารพัดไปได้ธุรกิจการงานทั้งหลายทั้งปวงเป็นตะข้อปฏิบัติแม้แต่การมาประพฤติ พรหมจรรย์นี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็แสวงหาศึกษาสิ่งเหล่านี้แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีท่านจึงมีธรรมะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องประกอบอย่างน้อยๆพรหมวิหารนี่ก็เป็นเครื่องมือประกอบให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างดีพวกเราก็จําง่ายๆ เ, เอาเมตตาเอากรุณามุทิตาเบิกขาจากนั้นแล้วธรรมะที่คนเอามาเสริมอีกเอาอิธิบาทอิทธิบา ท, ท, บาทคุณเครื่องแห่งความสําเร็จอิติอิติแปลว่าสําเร็จ บาดบาดะบาดะบาทะบาทะบาทะแปลว่าทางเดินทางเดินทางเดินไปเพื่อความสำเร็จนะฉันทะวิทยาจิตตวิมังสาฉันทะพอใจงานการของทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความไม่พอใจมันก็ได้ผลไม่เต็มที่มีความฉันทะมีความพอใจความพอใจไม่ใช่คิดเอาเฉยเฉยดูมาที่ใจโอ้เราต้องการผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เราต้องการจะให้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราก็สร้างความพอใจตั้งอกตั้งใจทำในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทำความภาคความเพียรจากการที่เราตั้งใจมันก็มีเมื่อความตั้งอกตั้งใจมีมันเป็นการตั้งอกตั้งใจประกอบเหตุเหตุใดๆก็ตามถ้าเราตั้งใจประกอบด้วยดีด้วยดีผลด้วยดีด้วยดีมันก็จะตามมาฉันทะประกอบเข้าไปด้วยความยินดีพอใจ จากนั้นแล้วมีความมุ่งมีความพอใจแล้ววิริยะก็ตามมาความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามมีอุปสรรคมีอะไรมาขัดข้องจิตตะกําหนดจดจ่อลงไปวิมังสาพิพจรารณาไขครวนแก้ไขเข้าไปพื่อให้มันลุ่สมเป้าหมายตามความที่เราตั้งใจตามตามที่เราประสงค์เป็นธรรมะธรรมะที่เปรียบเสมือน อาวุธอยู่ในมือของเราธารรมะที่เปรียบเส ม, มือนอาวุธอยู่ในมือของเราเอาไปใช้ได้สรรพัดกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือประกอบให้เราสําเร็จสมประสงค์ตามที่เรามุ่งที่เราหวังก็คือสติคือสัมปชัญญะอความตั้งออกตั้งใจความตื่นเนื้อตื่นตัวของจิตสติคือความระลึกได้จิตของใครก็ตามในขณะที่ระลึกได้ขณะนั้นตอนนั้นเนี่ย มันเป็นขณะที่จิตมีอารมณ์เดียวมีจิตดงเดียวมีอารมณ์เดียวและมันเป็นความชัดที่ชัดที่สุดในหัวใจดวงนั้นถ้าพูดถึงว่ามีความชัดเต็มร้อยก็คือมีความชัดเต็มร้อยสติเกิดขึ้นที่จิตของเราช่วงไหนที่เราควรจะเรียกได้ว่าเออเรามีสติเรามีสติก็คือเรามีความรู้สึกตัวเต็มร้อยแต่ถ้าเรารู้สึกตัวแค่ห้าสิเปอร์เซนตนี้คือมันไม่ชัดเจน เหมือนเรามองเห็นสิ่งของมันไม่ชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีความจืดความจางลางัลงๆงจางมันไม่ชัดเจนอารมณ์กรรมาฐานที่เราต้องการเอามาบริกรรมให้ได้รับความสงบก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราตั้งเอาไว้แล้วเราขาดสติขาดสกาดสัมปชัญญะกํากับอารมณ์มันก็ไม่ชัดเจนเราตั้งใจจะให้จิตมีความสงบมีความสงบเต็มร้อยจิตจะสงบได้ต่อเมื่อมีสติอยู่เต็มร้อย ไม่บินไปไหนแม้แต่อันเดียวแม้แต่แม้แต่ขณะเดียวนั่นหล่ะคือจิตอยู่มีสติอยู่เต็มร้อยแต่ถ้าหากเราปล่อยให้เผลอคิดไปนู้นบ้างไปนี้บ้างเมื่อเราขาดไปแล้วอ่าเหลือแปดสิบขาดจากร้อยเหลือแปดสิบขาดจากร้อยเหลือเจ็ดสิบหรือเหลือห้าสิบเนี่ยไม่มีอะไรชัดเจนเลยมันพร้อมที่จะดึงไปเพื่อกิเลสแล้วก็มันอาจจะอยู่ๆก็แวบนึกมาได้บ้างจากนั้นมันก็ดึงไปอีแล้ว เพราะอย่าลืมว่ากิเลสในหัวใจของเราเนี่ยกิเลสในหัวใจของเรามันมีสิ่งแข็งมันมีคู่แข่งคู่แข่งที่มีอยู่ในใจของเราที่เป็นคู่แข่งของกิเลสก็คือธรรมะคาว่าธรรมะก็คือความดีความงามความถูกต้องทั้งหมดอย่างสติธรรมเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมะสัมปชัญญะธรรมนี่ก็เป็นธรรมะปัญญาธรรมนี่ก็เป็นธรรมะหิริธรรม ความละอายโอตลปะธรรมความเกรงกลัวคติความอดความทนนี่กับเป็นธรรมะโสรจัจะความสงบสงี่ยมสัจจความสัต์ความซื่อการยิงเล็งเป้าไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งทั้งทั้งนั้นธรรมะที่อยู่มีอยู่ในหัวใจของเราเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องประกอบแต่สิ่งที่เป็นเหมือนมีด เขาวับยกขึ้นมาชูทีไรเมื่อหลายแล้วก็โอ้ยข้าสึกนี่ราบหมดเลยกลัวคอขาดสิ่งนี้ก็คือสติธรรมสติสัมปชัญญะประกอบกันเนืองเนือเรื่อยๆบ่อยๆประกอบด้วยสมาธิเรื่อยๆเนืองเนือบ่อยๆเป็นปัญญาธรรมขึ้นมาได้ปัญญาธรรมมีเรื่อยๆมีเนืองเนืองมีบ่อยๆประกอบเรื่อยๆประกอบเนืองเนืประกอบบ่อยๆเป็นปัญญายานขึ้นมาได้ จะต้องเกิดขึ้นจากการตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่นึกเอาคิดเอาเดาเอาคาดเอาเพราะสิ่งเหล่านี้ประเสริจากข้อเท็จจริงสิ่งที่ประสริฐจากข้อเท็จจริงมันก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะสวมรอยเอาผู้รู้เราไปใช้กิเลสมันสวมรอยเข้ามาและเอาผู้รู้เอาจิตของเราเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นความหลงของจิตของเราเนี่ยเราพิจารณาเราพิจารณาเถอะ บางทีเราตั้งใจภาวนาแลนะ้วแป๊บเดียวมันดึงไปแล้วแป๊บเดียวมันดึงไปแล้วไอ้ช่วงระยะแป๊บเดียวน่นนะคือตัวตัวตัวความหลงที่มันมาครอบจิตของเราเหมือนเราเหมือนเราเรากําลังเปิดไฟสว่างโโรอยู่เนี่ยอความสว่างมันสว่างเสมอโโรอยู่ในขณะเดียวกันะถูกกระแสลมพุบเข้ามาอ้าวความชัดที่เคยชัดเจนอยู่ในขณะนั้นมันก็ไวไปแล้วอ่ามีมืนมืดดำดำ เหมือนดทึบๆเห็นบางไม่เห็นบางพราะวกแวบกบแวบกบแน่นี่มันเริ่มทําให้จิตเราก็เพิ่มชั้นใดก็ชั้นนั้นธรรมะเป็นคู่แข่งของกิเลสกิเลสเป็นคู่แข่งของธรรมแต่ธรรมแต่กิเลสมันเป็นภาค พ, พื้นในจริตในจิตใจของคนของสัตว์เนื่องจากว่าผู้รู้ของเราจิตของเราเนี่ยเราได้เราได้มาด้วยกันทุกคนแต่ได้มาแล้วเนี่ยเขาไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ดั้งเดิม มีสิ่งป น, เ พ, นเพื่อนมาด้วยสิ่งนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาแล้วจิตของเราเท่ากับว่าปเป็นแก้วสารพัดหนึ่งเราจะต้องเอาแก้วสารพัดหนึ่งมาเีรไนเหมือนนายช่างเอาเพชรอเอาเพชรที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติามาเกีรไนให้เกิดสันเกิดเหลี่ยมแวววาวส่องดู ดูทวนดูในความสว่างก็จะเห็นเป็นแสงแวววาวเป็นสีน้นเป็นสีน้นเป็นสีน้นเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นคมแวววาวแก้วสารพัดนื้คือจิตของเราเช่นเดียวกันมันมีสิ่งเหล่านั้นปนเปื้อนมาด้วยถ้าเราจะเทียบก็คือสิ่งที่มองมองแทรกมาแทรกมากับเพชรเราต้องไปเจียระไนสิ่งเหล่านั้นให้หมดเจียระไนสิ่งที่คุณคุนมองมองเจียจนหมดเหลือแต่ความใสจิตของเราเช่นเดียวกัน แค่เราต้องการให้จิตของเราใส่เราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้ให้จิตของเราได้ดรับความสงบเพราะจิตเราเริ่มสงบสิ่งที่เป็นสิ่งที่หมองๆก็คืออะไรคืออารมณ์ของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์ของกิเลสเราดูไปที่อะไรลราดูไปที่รูปนั่งปับ๊บมันนึกถึงรูปนั้นนึกถึงรูปนี้รูปอะไรที่รุนแรง uh, ที่สุดมันก็ผานึกไาคิดคิดถึงรูปนั้นนอกจากรูปแล้วก็เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นสัมผัส หรือก็เป็นปัญหาสารพัดเป็นเรื่องราวเป็นอารมณ์มากระทบในหัวใจของเราสิ่งหลนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้สภาพจิตของเราเนี่ยมันเศร้าแล้วก็มันหมองถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องจิตของเราก็จะผ่องใสเพราะฉะนั้นเราพยายามทํางานเพื่อสงบระ ง, งับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาเกี่ยวข้องในหัวใจของเราที่ที่ท่านเรียก ว, ว่าทําให้ใจได้รับความสงบนับตั้งแต่ใจเริ่มได้รับความสงบรูปทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอํานาจไม่มีบทบาท มาแทรกจิตของเราอให้จิตของเราต้องเคว้ไปน้นต้องเคว้ไปนี้จิตของเราก็จะเริ่มนิ่งความสว่างภายในใจของเราก็มันจะเริ่มสมเสมอเมื่อก็จะเริ่มสว่างก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นแหละลักษณะแบบนั้นที่เรียกว่าจิตพ่องใสจิตพ่องใสจิตพ่องจิตใสจิตเริ่มเรียกระความสงบนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตพ่องใสจิตพ่องใส นับตั้งแต่ถ้าพูดตามหลักที่เรียกว่าตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่หมายถึงความสงบของจิตโดยลําดับขั้นเรียกว่าชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ี่เริ่มสงบตั้งแต่ขั้นแรกท่านเรียกว่าจิตเริ่มได้รับความผ่องใสจิตที่ผ่องใสก็คือจิตเริ่มมีความสว่างจิตเริ่มมีความความสว่างในตัวเองเหมือนกับแก้วใสๆที่เราไปเกี่ยวไนสิ่งที่มมองออก มันก็ใสแวววาวหรือเราจะทเทียบเอียงหนึงก็เหมือนน้าที่มันตกตะกอนน้าขุ่นๆที่เราใช้อะไรใช้สารส้มมาแกงอ่าจากสักหน่อยหนึ่งสารส้ ม, มก็มันก็จะกัดตะกอนเหล่านะั้นให้ตกลงไปตกลงไปตกลงไปเหลือแต่น้ําที่ใสแวววาวใสอ่ามันจะลึกมันจะตื้นขนาดไหนแล้วก็ใสมองเห็นข้างล่างหมดแล้วก็สามารถเห็นตัวอะไรอยู่ในนั้นเห็นปูปลาหอยกุ้งอะไรอยู่ในนั้นเราจะเห็นหมด เมื่อวานน้ำมันใสทีนี้ถ้าเราทําให้จิตของเราได้รับความสงบเราก็รู้เท่าทันอารมณ์สาเหตุอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ยังไงแล้วก็ดับไปยังไงแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงจิตริมได้รับความสงบสัจธรรมคือของจริงทั้งหลายมันจะเริ่มปรากฏในหัวใจของเราอย่าลืมว่าแค่ความสงบคือจิตมีสมาธินะสัจธรรมที่เป็นพื้นห ย, ยาบเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏในหัวใจของเรามันจะทําให้เราของเราเนี่ย จะทําให้เราเกิดความรู้สึกแปลกปรลาดและอัศจรรย์นในหัวใจของเราเองได้จากนั้นและความสุขเอ่ยความสงบเอ่ยความเพียรเย็นเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลอยเป็นผลปลอยตามมาในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนโดยลําดับขั้นเพื่อความสงบเพื่อความสุขของจิตจิตได้รับความสงบหมายความว่าจิตห่างจากกามจิตออกจากกามได้เราสามารถเข้าถึงความออกจากกามได้ของจิตคือจิตเข้าถึงความสงบ เข้าถึงเรื่อยๆเข้าถึงเนืองๆหมายว่าจิตห่างเรื่อยๆห่างเนืองๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําจิตให้ได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วท่านจึงให้มาพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบคือจิตยังไม่พร้อมที่จะมาพิจารณาให้เกิดปัญญาคําว่าเกิดปัญญาก็คือเกิดปัญญารู้เห็นสัจจะนั่นเองสามารถเห็นความหลงของตัวเองเนื่องจากว่าเราหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในกายของเราในจิตของเราสิ่งเหล่านั้นท่าเรียกว่าสังขารทั้งหมด สิ่งมาประกอบสิ่งมาปรุงสิ่งมาแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่เรียกว่า อ, อนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตของเรามันเป็นเพียงอุบายเป็นเพียงมายามันเป็นเพียงเงาแห่งมายาของจิตอันเป็นผลิตผลมาจากกิเลสไม่มีตัวไม่มีตนพอเราชำระไปชะไปชะไปชะไปชะไ ป, ะไ ป, ะไปสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปหมดไปหมดไปหมดไป หมดไปนะแล้วก็พิจารณาละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเข้าใจเรื่องเหล่านั้นเข้าใจเรื่องเหล่านั้นลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนสามารถชะล้างสิ่งเหล่านั้นให้จิตเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ได้เหมือนพระพุทธเจา้าเหมือนพระสาวกพระอริยาสาวกเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จิตที่มีสภาพเศร้าหมองที่อยู่ในนั้นมันก็มันก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปอย่าลืมว่าสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อความสุขและความทุกข์ในหัวใจของเรานะ เรื่องความเศร้าหมองกับความผ่องใสมีอิทธิพลมากต่อความสุขและความทุกข์ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราเข็ดลาบด้วยกันทุกคนะแต่ถ้าเข็ดลาบแล้วเราก็หมายใจที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติที่จะดัดที่จะแปลงที่จะขัดที่จะเกาที่จะเอามันออกให้ได้เนี่ยมันมีแก่จิตแก่ใจเพราะฉะนั้นคุณสมบัติความสุขกับความทุก จึงขึ้นอยู่กับความเศร้าหมองหรือความผ่องใสของจิตของเราแค่เราเจริญจิตให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตผ่องใสเมื่อจิตเมื่อจิตเมื่อจิตเมื่อจิตประสิทธิ์กิเลสอย่อมหวังหวังได้จิตเตอสังกิเลเตะสุขติปาทิคังคเมื่อจิตไม่เศร้าหมองจําหวังสุขติ สุขคติจิตเตสังกิริตเถทุคคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าเศร้าหมองเป็นอันหวังทุคคติท่านวางกันนะคําว่าคติก็คืออยู่ก็ทุกไปก็ทุกทุคคติคําว่าคติคติแปลว่าการไปทุคคติทุแปลว่าชั่วทุคคติแปลว่าไปคติที่ชั่วสุขคติมาจากสุกับคติสุแปลว่าดีคติแปลว่าไปไปดีกับไปไม่ดี ไปไม่ดีก็ไปนรกไปเปรียนรกอสูรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไปดีไปสุขก็คือไปอย่างนั้นไปเป็นมนุษย์ุสมบัติสวรรค์สมบัติแล้วไปถึงนิพพานสมบัติพรหมสมบัตินี่คือไปสู่สุคติสุคติขตุทุกติเนี่ยก็เป็นผลเป็นวิบากของกรรมสุขกับทุกข์นั่นแหละที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจเราเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันหยัสัมผัสสัมผัสเกี่ยวยงกันอา่าไปหมดและไม่มีธรรมะ ข้อใดแม้แต่ข้อเดียวที่จะมาขัดแย้งกันเราฟังดูแล้วเราหน้าทึ่งในสวักคาตธรรมพระพุทธเจ้าททร ง, งตรัสเอาไว้เราจะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเรามีความสําคัญมากถึงขนาดนี้เราจะเอาความรู้ที่เราเรียนปริญญาน้นปริญญาน้นไปเทียบก็เทียบไม่ได้ดอกถ้าหากเราไม่ตรงเข้ามาตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาอย่างชัดเจนแล้ว โอกาสที่เราจะเข้าไปถึงโดยละเอียดเข้าไปถึงไม่ได้เขาเรียนเพื่อเพื่อได้ความรู้ระดับใดขั้นใดก็ตามมันยังใช้ความละเอียดใช้ความอุตสาหพยายามใช้ความภาคความเพียรยังไม่ถึงวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทําละเอียดมากไปกว่านั้นเราได้ยินธรรมะของลุงตาท่านพูดอยู่เรื่อยๆท่านบอกว่างานทั้งหลายทั้งปวงที่ชะที่ล้างที่ขัดที่กล่าวเพื่อให้ได้ผลสิ่งเหล่านี้มา ท่านบอกว่าแม้แต่อยู่เป็นคารวาสท่านทํานู้นทํานู้นทํานู้นถือวันหนักที่สุดแล้วเอาเลยไม้ถือว่าหนักที่สุดแล้วไปตีพึ่งถือว่าหนักที่สุดแล้วแหละแต่ก็ยังสู้มาภาวนาเพื่อต่อสู้กับกิเลสเอาธรรมะต่อสู้กับกิเลสในหัวใจยังหนักไม่เท่าเพราะงานนี้เป็นงานทําแบบสละเป็นสละตายอย่างแท้จริงงานเหล่านั้นยังไม่ถึงกับสละเป็นสละตายแต่งานตั้งใจปฏิบัติเนี่ย เมื่อเมอย่างเราภาวนาไปละคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดได้ได้ได้ได้เนีเข้าใจเข้าใจรู้รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ให้ตายไม่ตายให้รู้อ่าไม่ไม่ว่ามันคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดพอมาถึงขั้นนี้แล้วสละเป็นสละตายได้อตายไม่ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ได้ให้ตายตายไม่ได้ไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายอ่าหลวงตาท่านมักจะพูดเรื่อยๆครูบาอาจารย์ทุกอง ท่นจะต้องมีกิริยาเหล่านี้ประกอบเพราะกิริยาเหล่านี้มันเป็นกิริยาถ้าเราจะเทียบแล้วไม่ต่างอะไรกับเราถูไม้สีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยเอาสีสี ส, สีพอมันเริ่มเกิดไฟมันเริ่มเกิดไฟมันจะบอกสัญญาณเอามีควันขึ้นเอามีเข่ า, าดำดำขึ้นเอามีฐานแดงแดงขึ้นมีฐานแดงแดงขึ้นอพอรู้สึกอู้ ไฟเริ่มร้อนแล้วโอ้เริ่มมีควันแล้วเอาเริ่มมีควนันเอาขยับไปไม่หยุดเอาฐานดำดำขึ้นขยับก็ไปอีกฐานแดงๆปากเ ป, ากปาก่าเขาคุ้นี่หมายความว่าคว้าได้คว้าติดขว้าได้ขว้าติดถึงขั้นนี้เป็นถึงเป็นถึงขั้นที่ว่าไม่ปล่อยเลาวเอ้ยแดงๆแล้วแดงๆแล้วเหนื่อยพักสัก่อนสักหน่อยหนึ่งแดงๆคือความร้อนหายไปอีกแล้วอ่าเป็นควันแล้วเป็นควนันเอ้ยควันแล้วควันแล้วหยุดก่อนหยุดก่อน ความร้อนก็หมดไปอีกแล้ว string. เอ้ยเป็นขมเหาแล้วขมเหลาน้ำนำแล้วไฟใกล้จะติดแล้วใกล้จะติดแล้วเหนื่อยพักก่อนขมเหามก็หมดไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะประยุทธ์ได้ยังไงพอมาเทียบถึงขั้นนี้ตอนนี้แล้วจะไม่สละเป็นสละตาได้ยังไงเราฟังที่หลวงตาท่านพูดเน่ยสมเหตุสมผลที่ท่านพูดข้อปฏิบัติที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนคว้าหลุดคว้าหลุดควาหลุดไม่ไ ด, ด้ไม่ได้ไไดตายตายตา ย, ตายดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไ ที่ท่านพูดเนี่ยเหมือนกับเราถูถูถูไม้เกิดไฟเนี่ยใกล้ที่แล้วก็คหยับเลยใหญ่เลยเคยถูโยนโยนยนโยนยานยา น, ยานชายชายเรื่อยเรืยเรื่รื่อรื่อยพอไฟมันเริ่มมีสัญญาณบอกเป็นควันเอ่ยเป็นขมเหลาดำดเอ่ยเป็นฐานแดงแดงเอ่ยเคยยับใหญ่เลยเอาเป็นเอาตายนักหน้าเข้าไปอีกอในที่สุดก็ได้ไฟใช้ ในขณะที่เราทำเหมือนกับว่าเอาปัญญาเริ่มเกิดแล้วเห็นควันแล้วเห็นถ่านเห็นคาาเหมาดาๆแล้วเฮ้ยเห็นถ่านแดงๆ แ, แล้วจังเลยขยับไปอีกขยับไปอีกจนได้ไยใช้มีเปลวไฟให้ได้ใช้ถ้าเป็นปัญญาพื้นๆเราสูดสีไปสีไปสีไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเกิดปัญญาพื้นๆสีไปสีไปจนบรรุเป้าเกิดปัญญายานขึ้นมานี่ เกิดเ อ, อย่างยามขึ้นมาก็คือสมประสงค์แหละมันลุมันลุเป้าสมประสงค์ในในแต่ละดับแต่แต่ละระดับแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี่เราพูดถึงคุณสมบัติพื้นพื้นที่เราควรสั่งสมอบรมนับตั้งแต่เป็นการเจริญพระมวิหารสีเมตตากรุณามุติตาเบขารวมมาถึงว่าอิทธิบาททั้ง4ี่รวมมาถึงคุณของอของสติคุณของสัมปชัญญะ คุณของสมาธิคุณของปัญญาคุณของขันติความอดความทนคุณของปทานคือความภาคความเพียรเราพูดตล่อมขมาตล่อมขมาตล่อมขมาเมื่อเราทํางานเพื่อหาเครื่องไม้เครื่องมือมาประกอบให้ประสบผลสําเร็จตามที่เรามุ่งหวังเพื่อได้ประสบผลสำเร็จตามที่เรามุ่งหวังที่เราต้องการเราก็ตล่อมใหม่เราก็รักษาได้อย่างนี้จากนั้นแล้วถึงแม่ว่าเราไม่ลุไม่บรรลุเป้า ไม่ไดอริยมอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามชีวิตินทร์สีของเรามาแตกสลายไปเสียก่อนเนี่ยก็เป็นอันว่าพวกเราในใกล้ปากแล้วอ่าใกล้ใกล้เป้าใกล้ใกล้ผลต่อการได้บรรลุอืมสมมุติเราตายไปเสียก่อนจิตใจของเราก็เบาเบามากแล้วแหละเบามากแล้วสังสมอบรมใกล้เป็นใกล้ตาเอาเป็นเอาตายเข้าแลกถึงขนาด น, นี้มันใกล้ ปะสบผลสําเร็จแล้วเหมือนพระพายนะเนี่ยท่านสละเป็นสละตายชาติสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้มาบัตเป็นพระพายนะเนี่ยท่านเคยไปต่อสู้ไปภาวนาต่อสู้สละตายในในที่สุดมันผ่านยังไม่ได้ชีวิตินทรสีคือตายซะก่อนพอท่านตายซะก่อนพรกรรมก็จัดสรรให้ท่านมีโอกาสได้มาร ป, ประสบพบเห็นพระพุทธเจ้าโดยเร็วพลันเห็น ไ, ไหม ท่านจรงได้มาอุบัติในศาสนาของพุทธเจ้าของเราในฟังธรรมะยังไม่จบหนึ่งคาถาปึ้งไปเป็นพระอรหรันต์พระภายะเป็นผู้ตัดสู้เร็วเป็นผู้ประเภทขิบ ป, ปาพิน ญ, ญาบรรลุธรรมได้เร็วนี่เนื่องจากว่าเพื่อนฝึกฝนอบรมแล้วก็หนักไว้ตั้งแต่ภูรชาติชาติที่ใกล้เคียงเข้ามารับลาที่เราตั้งใจทําความเพียรเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ในอริยธรรมขั้นใหนขั้นหนึ่ง นะสิ่งเหล่านี้ก็จะคอยเราอยู่ข้างหน้าหากเราประสบพรามีโอกาสได้อีกเราก็จะเจริญก็ว่าเ ป, เป็นผู้ที่มีของเก่าม า, มากแล้วงั้นเถอะพอไปทําอีกลงทุนไม่เท่าไหร่ลงทุนไม่เท่าไหร่เขาก็ถึงถึงความสําเร็จถึงความสําเร็จตามที่เขามุ่งมา่ปรารถนาเราฟังดูพระสาวกของพู้ริจ้าของเราเะแต่ละองค์แต่ละองค์เราไปอ่านดูประวัติย้อนหลังคนนั้นสร้างบา ร, รมีมาท่านนั้นคนนั้นสร้างบา ร, รมีมาท่านั้น ค น, นัสร้างบารมีมาเท่า น, นั้นเคยเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่จับเสือมือเปล่าเป็นผู้มีรกมีรากมาแล้วสร้างรวงสร้างรางสร้างรกสร้างรากมาแล้วเหมือนอย่างภาษาฤาบุตรพระโมคคัลลานะไม่ใช่อยู่ๆท่านมาตั้งใจปฏิบัติเพื่อได้เป็นภาษาราบุตรพระโมคคัลลานะพระอสิติมหาสา80องค์องค์นั้นเป็นผู้เอตทะฆะในทางนั้นองค์นั้นเป็นผู้เลิศในทางนั้นองนั้นเป็นผู้เลิศในทางนั้นท่านตั้งความปรารถนามาแล้ว แลก็สั่งสมอรรมมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเป็นมาเป็นมาเป็นเครือมาเป็นยวงเป็นโยงใหญ่ขึ้นมามาเป็นเครือเลยแหละอมาเป็นเครือเลยเคยเกี่ยวข้องกันเราไปอ่านดูประวัติพุทธเจ้าเคยเกี่ยวข้องกับภาษาทีบุตรเคยเกี่ยวข้องกับพระโมคคานันทเคยเกี่ยวข้องกับพระอานนท์เคยเกี่ยวข้องกับพระอุบาลีพระมหากัรสปะตั้งแต่โพเรชาติเนี่ยอไม่มีไม่มีสิ้นสุดเกี่ยวข้องกันมาแล้ว เคยเกี่ยวข้องกันมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บอ่าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บจับเสือมือเปล่าท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะเสือมันจะอยู่หมัดท่านได้ท่านท่านถึงจะสามารถเอามันอยู่ได้ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีอะไรอ่าลงไปต่อสู้กับเสือมือเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรจริงๆเน่ยมันก็เอาตะปบตายคราวเดียวตปบตายคราวเดียวเสร็จ มันงับขอตายคราวเดียวในธรรมะในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราท่านถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีเราจะมีโอกาสได้ประสบพบเห็นพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสศรัทธาต่อรุ่นจาพระธรรมประสงไม่มีนุ่นปัณอาไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ไปเกิดนู่นอภการา น, นิสตาน่ะมีแต่ฆ่าแกงกันไม่หยุดไม่ย่อนไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นุ่นไปเกิดเป็นพวกโรหินญานุ่นะ เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละอไม่เคยได้ยินได้ฟังแหละพรุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่รู้เรื่องมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันมีที่จะฆ่าแกงกันเป็นเรื่องใหญ่ใครมีกําลังมา ก, กเอาใครมีกําลังน้อยก็ถูกเขาเหยียบถูกเขาฆ่าเขาแกงอืมันก็มันก็เหยียบย่ำกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญบารมีที่ที่เคยสั่งสมอารม์ไปยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าพระาศาสนาทุกๆพระาศาสนาเนี่ยอาศัยสัจจะของแต่ละาาาาศาสนานั้นๆ ทำให้ศาสนิกของเขาเนี่ยไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้แต่ไปนี้ผ่านไม่ได้ดอกไปนี้ผานเมื่อพระพุทธเจ้าไปไม่ได้ไปสวรรค์ได้สัจจะก็สามารถไปสวรรค์ได้พรหมทําจิจให้ได้ดรับความสงบก็ไปสวรรค์ได้แต่ก็ถูกขอบข่ายจากัดอยู่แค่นั้นถ้าไม่สร้างบุญญาบารมีมาถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ก็ไปยังไม่ได้เพราะสัจจะ มันก็เป็นเหตุให้เราได้ผลสามารถไปสวรรค์ได้ความสงบของจิตทําให้เราสามารถไปเกิดในอุบัติในพรหมโลกได้เราดูแต่พยามานท้าวสวัสดีมานั่นนะ่ะอยู่สวรรค์ชั้นที่หกนะนะั่น่ะเป็นพยามานสร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นพยามานคําว่าพยามานเนี่ยอ่าอยู่ในที่ไหนไหนต้องชนะเขาหมดเป็นหัวหน้าเขาหมดชนะเขาหมดไม่ใช่เอาธรรมะข่มเขาชนะเขาเนี่ย เอากำลังเอาเรียวแรงคมเขาชนะเขาบางทีก็มีเหตุผลบางทีก็ไม่มีเหตุผลอเทีทททเยนตีธานีว่าสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพรยา ม, มานสร้างไปสร้างไปก็ไปตีบตันอยู่แค่นั้นเห็นไหมาวัสสดีว ด, ดีมานไปไปตีบตันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับพระเจ้าของเราท่านสร้างบา ร, รมีเพื่อพระโพธิญาณใ น, นที่สุดพระองค์ก็ทะลุไปได้ไหมข้ามขําคข้าพรม ข้ามสวรรค์ข้ามนิพพิทักษ์ข้ามสวรรค์ข้ามพรมเนี่ยไปถึงนิพพานได้ไปถึงนิพพานไ ด, ไนนได้มีปัญญาญาณสามารถรอบรู้ข้อเท็จจริงได้พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะก็เพราะบา ร, รมีทั้งสร้างมาแล้วท่านจักสรู้เองโดยชอบไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนเพราะปัญญาพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมายอ้ายอนกลับไปมันก็เข้าหลังเหตุผลที่ท่าเรียกว่าเหตุหลัก ของปฏิจะสมุปบาทพิจารณาย้อนกลับไปพิจาาย้อนกลับมาพิจาณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปยอนมาปัญญายานก็สว่างโรชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัขยายานมีญาณยังรู้ว่าอ๋อกิเลสเครื่องเศร้าหมองในหัวใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมดสิ้นไปจากหัวจิตหัวใจของพระองค์พระจักขันทสันดานของพระองค์เนี่ยเพราะบารมีท่านสร้างมาแล้วแต่พยามารก็ไปติดอยู่แค่นั้น่ะ เห็ไม่พยามารมาพยจันตร์พระพุทธเจ้าน่ะอวันที่พระองค์จะได้บรรลุธรรมนั่นแหละในทศตามพระองค์ไม่ทันตามไปวังจะเอาให้พระพุทธเจ้าอยู่ในในอำนาจอยู่ในเงื้อมมือก็เอาไม่อยู่ทําไงก็สู้ท่านไม่ได้ทําไงก็สู้ท่านไม่ได้ออีกเรื่องนึ่งคืออย่างพระเทวทัตอย่างนี้น่ะพยายามจะเป็นคู่แข่งพุทธเจ้ามาทุกทุกพบทุกชาติมาก็ไปไหนไม่รอดเห็นไหมไปไม่รอดเก่งอย่างนั้นกันแล้วเก่งอย่างนี้กันแล้วคือไปตันอยู่แค่นั้นแหละไปตีไปตันอยู่แค่นั้นะ พญามารท้าวสวัสดีมารก็ไปตีไปตันอยู่แค่นั้นนะ่ะในที่สุดท้าวสวัสดิ์วดีมารต้องกลับมาตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องตามหลังพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นเถอะพระเทวทตัตในที่สุดต้องตั้งความปรารถนายอมพระพุทธเจ้าเต็มร้อยถอยคางกันไกลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอ่าโดยอเนกสง์ที่เคย บวชเคยเกี่ยวข้องเคยประพฤติรำเคยปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะมีการหลงผิดอยู่บ้างอานิสงในนั้นมันก็มีอยู่อืเลยเป็นเหตุให้พระเทวทัวทตเนี่ยเบื้องหน้าแต่อันนี้ไปเท่านั้นกลับเท่านี้กลับจะได้ ม, มาบรรลุเป็นพระปัจเจ้กับพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนกันอนะแต่ว่าไม่สามารถจะตั้งเป็นพระศาสนาเป็นปลุกแผ่นมั่นคงมีภิกษุภิกษุณีบาสุกบาจิกาขึ้นมาได้เพราะผลเพราะอานิสง์อนะ่า บารมีสร้างมาไม่เท่ากันไม่มากเท่ากันนี่เราเราดูอย่างงี้เราดูอย่างงี้ทีนี้เราเราพิจารณาเพื่อเอาคติเพื่อเอาเยื่งอย่างเราจะเอายังไงเราก็พิจารณาโอ้นี่เส้นนี้มันเป็นเส้นทางของพญามานพญามันไปยังไงก็ไปมันไม่ทะลุดอกมันนี่เหมือนเส้นทางของพระพุทธเจ้าเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทะลุไปเลยเลยทะลุคําว่าทะลุทะลุออกจากโลกอย่าลืมว่าพญามานเนี่ยจะไปเกิดในพบไหนชาติไหนก็ ไม่พ้นอยู่ถูกขังอยู่ในโลกทิฏฐิหกิบสเราไปดูเราไปดูในโพรเมชารลาัษลนะท่านพูดถึงทิฏฐิหกทิฐิหกคือความรู้ความฉลาดของสัตว์ในโลกนั่นแหละคนนั้นฉลาดมากคนนั้นฉลาดมากแต่รู้ฉลาดขนาดไหนก็ตามก็ถูกขังอยู่ในกรงข่ายโครงขายของทิฐินะโครงขายของทิฐิทิฐิจะรู้จะละเอียดจะลึกขนาดไหนก็ตาม อยู่ในภายใน60สวทัทิฏฐิที่พุทธเจ้าทนทรงตรัสเอาไว้อ่าไปคล้องไปขายอยู่ในนั้นอ่ะเป็นโครงขายเป็นโครงข่ายของกิเลส ท, ทุกดักอยู่ในนั้นอ่ะทะลุทะลวงไปไม่ได้แต่ว่าวิธีการของพุทธเจ้านั้นสามารถทะลุไปได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทะลุจากจากจา ก, จากโลกธรรมทะลุมาถึงโลกุกตรธรรมพ้นจากโลกเข้ามาทะลุ ค, คือทะลุพ้นจากโลกถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับลูกไก่ ที่มันเจาะกระปาะออกมาจากไข่นั่นแหละมันไม่ใช่ถูกกรอบของไข่กรงขังของของขอ ง, ข, ของของไข่ขอบของไข่ขังเอาไว้เจาะทะลุกระปาะไข่ออกมาเนี่ยพุทธเจ้าท่านท่านจงเปรียบเทียบเนี่ยมีอยู่อำนาจของพญามานก็มีอยู่อ่ายิ่งใหญ่ได้อยู่แต่มันไม่ไปมันไม่ทะลุมันก็ไปตีบตันอยู่แค่นั้นแล้วก็มีเวนมีภัยเต็มไปหมด เรื่องของปริมาณเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเป็นข้ออุปมาแล้วเราก็มาศึกษามาคำนึงคำนวณถึงข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พน้นโทษในวันตรศงสารเราจะต้องเดินตามหลังพระพุทธเจ้าด้วยหลักของศีลของสมาธิของปัญญาตามหลักอริยมรรคทีองค์แปดตามหลักอริยสัจสี่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเพื่อเดินตามพระพุทธเจ้าไป เม้ว่าเราเราไม่ประสบผลสําเร็จในอัตภาพนี้ถือว่าเราเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิตามอัตภาพแห่งตนแห่งตนพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปพิจรารณาเอาไปไปพิจรารณาน้มนําไปพินิจพิจรารณาเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อวิรัติเป็นข้องดเป็นข้อเว้นเป็นข้ อ, อจัดสร้างทำแล้วก็งด แล้วก็เว้นในสิ่งที่ไม่ควรสร้างไม่ควรทำเพื่อความสุขเพความเจริญเพื่อความสำเร็จสงความมุ่งมากปรารถนาแห่งตนแห่งตนอพอสมควรก่เวลาแค่นี้ก่อนอต่อไปรราทาวัดสวดมนต์รรทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็ภาเลิกกันแล้ววัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็พาเลิก